คุณผู้ฟังพระเจอผีทุกท่านคะวันนี้บีมีเรื่องเล่าสั้นๆจากคุณหานใจสิงค์ค่ะคุณหานเล่าให้ฟังบอกว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2540ตอนที่คุณหานเองเรียนอยู่ที่ชั้นปวช2ก็สอบกลางเดือนอตุลาคมเสร็จนะคะเป็นการสอบกลางภาคทางโรงเรียนก็ให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยไปฝึกงานกับศูนย์ราชการต่างๆในจังหวัดโดยทาการจับสลากกัน น, นะคะว่าใครจะได้ไปฝึกงานที่ไหน ปรากฏว่าคุณหานกับเพื่อนอีกสองคนเนี่ยได้ไปฝึกงานที่สาธารณสุขอำเภอเมืองใกล้กันกับสารากลางจังหวัดค่ะได้ฝึกงานสองวันพี่ที่เป็นเจ้าพ่ะอาะเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ชวนแล้วก็บอกว่าลองไปทํางานอาสาดูไหมที่มลฑนิธิคุณหานเองก็เลยถามบอกเก็บศพเหรอพี่ไม่ไหวมั้งแกก็เลยหยอกว่าเออทํายังกับเห็นผีกลัวผีอย่างงั้นแหละคุณหานก็เลยบอกไม่อยากขัดก็เลยบอกเอออะไปก็ได้ครับ พอดีว่าวันนั้นเนี่ยมันมีเหตุการณ์จริงเกิดขึ้นเป็นผู้หญิงที่ขี่รถชนกับสิบล้อเนี่ยเสียชีวิตคาที่สมองกระจายเต็มถนนเลยอ่ะคุณหารเองก็นั่งรถไปกับพี่เขาแล้วก็เจ้าหน้าที่มูลนธอีกสองคนไปถึงเห็นสภาพศพแบบเละดูไม่ได้เลยนอนคว่ำเหลือเพียงแค่ตัวถึงคอส่วนหัวที่โดนล้อเหยียบเละเลยคุณหารบอกว่าพี่บอกให้ผมไปเข็นรถคนตายไปไว้ข้างถนนเพื่อรอตารวจ คุณหานก็เลยเดินไปจับแฮนด์รถปรากฏค่ะว่ามันมีของเหลวบางอย่างติดอยู่ก็เลยเอามือขึ้นมาดูตกใจเห็นเป็นสีเหลืองเหลืองมีเส้นเลือดอยู่ซึ่งตอนแรกคิดว่ามันคือมันสมองก็เลยเอามือเนี่ยเช็ดกับพื้นถนนทันทีตอนนั้นเองได้ยินเสียงพูดว่ามึงเอาสมองกูไปถูพื้นทําไมคุณหารเงยหน้าขึ้นมองเห็นผู้หญิงที่ตายนี่แหละนั่งอยู่บนเกาะบนเบาะรถกําลังมองมาทางคุณหารคุณหารนิ่งอึ้ง มองดูตาเธอตาต่อตาอยู่พักหนึ่งจนพี่ที่มู ล, ลนิธิมาเรียกโดยการดึงเสือ้อพี่แกบอกว่าเรียกอยู่ตั้งนานเอาแต่นั่งนิ่งอยู่มองเบารถแกก็เลยแซวใหญ่บอกว่าเห็นผีหรือไงวะแล้วก็ใช้ให้ผมเนี่ยเอาศพขึ้นรถโดยที่ผมต้องนั่งในแคปหลังกับศพและพี่คนหนึ่งก่อนที่ประตูแคปจะปิด ภาพที่เห็นคือผู้หญิงคนนั้นยืนอยู่ไม่มีหัวคืออยู่กลางถนนนะคะแล้วก็ได้แต่กลัวแล้วก็สงสารเธอในเวลาเดียวกันแต่หลังจากเหตุการณ์นั้นผมก็ยังไปช่วยงานที่มลูลนิธิอีก 3-4 ครั้งสตอรี่บายคุณหานใจสิงขอบคุณด้วยค่ะอีกเรื่องหนึ่งค่ะเป็นเรื่องของลุงแชม บ่อยครั้งนะที่ลุงแช่มเองเกี่ยแกจะตะเวนหาข่าวโดวยไปสิงสถิตยอยู่ตามปั๊มน้ำมันหลายแห่งริมถนนหลายครั้งที่โรคเก่ากำเริบจนต้องขอความช่วยเหลือจากเด็กปั๊มเนื่องจากว่าโรคลมชักขาดยาพ่นไม่ได้แต่ก็มีหลายครั้งที่แกลืมยาไว้ที่บ้านหรือไม่ก็เอายาที่ใกล้หมดเนี่ยติดตัวไป แต่ว่านั่นไม่ใช่ประเด็นที่แกจะมาเสียเวลาไปเปล่าๆกับงานในหน้าที่ซึ่งบางปั๊มน้ํามันนะคะที่ลุงแช่มแกไปทํางานของแกเนี่ยไปตะเวนหาข่าวเนี่ยที่แกไปสิงสถิตยอยู่นี่แหละนะมันก็ไม่ได้ใหญ่โตนักแล้วก็ยังห่างจากทางแยกทางร่วมซึ่งก็ไม่ใช่เป้าหมายของรถกู้ภัยโดยส่วนใหญ่หลายครั้งแกมาจอดรถที่ปั๊มแล้วก็ประสบเหตุต้องช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้นไปก่อนที่รถกู้ภัยจะมามันเป็นความภูมิใจเล็กๆ ที่ได้ช่วยเหลือคนอื่นในยามทุกข์แล้วก็เป็นสิ่งที่กู้ภยัยแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ชื่นชมแกเป็นอย่างมากในเช้าวันหนึ่งนะคะก่อนจะออกจากบ้านตามปกติแกจะได้ยินเสียงนกร้องแปลกๆบนหลังคาบ้านพอหันหน้าขึ้นไปมองก็ต้องตกใจค่ะนกแสกตัวเค่งเลยแหละบินมาจากไหนก็ไม่รู้มาเกาะหลังคาบ้านพร้อมกับส่งเสียงร้องนกอะไรล่ะตานักเรียนเด็กนักเรียนลูกสาวบ้านติดกัน ออกจากบ้านนี่กกำลังจะไปโรงเรียนก็แงนหน้ามองเหมือนกันเพราะว่าได้ยินเสียงร้องก็เลยถามตาแชม่มนกเขาบางทีก็เรียกนกแสกแตาแช่มบอกมันเข้ามาหลบใต้ชายคาแล้วตามันดุไหมไม่นะถ้าไม่ไปยุ่งกับมันตาแช่มก็ตอบไปอย่างนั้นแหละเพราะว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาค่อนชีวิตบอกว่ามีเขาลางแห่งความหายนะความสูญเสียความตายกาลังจะมาเยือนค่ะวันนี้ทั้งวันลุงแช่มไม่ค่อยสบายใจนะัก กู้ภัยเจ้าเก่าแวะมาคุยด้วยพร้อมกับกาแฟร้อนๆพร้อมกับปลาท่องโกของฝากขอบใจมากหลานชายวันนี้มาเร็วนะใครว่าล่ะตาผมยังไม่ได้กลับบ้านเลยเมื่อคืนยุ่งเหรอมีสองสารายเจ้าเก่าพวกเมาแล้วขับรถเก่งไม่ตายก็คลางเหลืองอะรถเครื่องอะคาที่เออคนเรานี่ก็แปลกเนาะเขายิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งยุจะกินเหล้าก็กินมันกินมันที่บ้านนั่นแหละมันเดินทางไม่ได้ก็นอนอยู่ที่นั่นไม่ได้หรือไง มันไม่เท่งไงลุงต้องออกมาสังสรร์เมาแล้วก็เฮฮาพากันเจ็บพากันตายรถเครื่องซ้อนกันมา3ค่าที่2อีก1ไปตายโรงพยาบาลรถเก่งเนี่ยเมามาเหมือนกันสวนทางกินเลนเลยกวาดรถเครื่องไปหมดแผงเลยอีกสองคันที่ตามมาไม่รู้เรื่องด้วยก็เลยหักหลบตกถนนหัวร่างข้างแตกไปตามๆกันคุยกันอยู่พักหนึ่งค่ะเสียงวิทยุ ข, ขอความช่วยเหลือของกู้ภัยก็ดังขึ้นปลายสายนี่หัวหน้าวิชัยอ่าวิชัยเรียกลูกชายไปช่วยรถไฟไหม จอดอยู่ริมถนนบายพาสเสียงวิทยุสนับสนุนดังขึ้นพร้อมกับเสียงไซเรนดังแทรกมาเป็นระยะรถผมไม่มีถังสารเคมีไปตอนนี้ก็ช่วยอะไรไม่ได้ไอ้หนุม่มเอาไปดับไฟรถเครื่องเมื่อวานตอนเย็นอะยังไม่ได้เบิกมาใหม่เลยโชคดีนะที่ไฟไม่ได้ลามมาติดรถมันมีอย่างที่ไหนเด็กปั๊มกำลังเติมน้ำมันให้เจ้าของรถดัน ง, งัดยาสูบมาออกมาจุดไฟซะ ง, งั้นพึบเลยทีนี้ โดนไฟลวกไหมล่ะลุงแช่มถามอย่างตกใจโชคดีของมันไปที่กระโดดหลบไป3เมตรนุ่นไอ้คนจุดไฟนะสิโดนอยู่โรงพยาบาล น, นุ่นตอนนี้ความประมาทแท้เด็กปั๊มวิ่งหนีหมดขนาดมีถังสารเคมีทุกเสาปั๊มนะแทนที่จะช่วยเอา้าทําไมทําอย่างนั้นล่ะหัวหน้าไปห้องน้ําลูกน้องเด็กปั๊มที่เติมน้ํามันก็ต่างชาติทั้งนั้นมันทําไม่เป็นเออให้มันได้อย่างนี้สิลุงแช่มฟังแล้วก็ถอนหายใจค่ะมีอุบัติเหตุรถบรรทุกแกส๊สมาเทกระจัดพลิกคว่าํา ขอกำลังสนับสนุนเคลียร์พื้นที่ปิดถนนห้ามรถผ่านเพราะว่าถังแกส๊สกระจายเกลื่อนพื้นเป็นวัตถุอันตรายบางครั้งนะแก๊สเนี่ยกำลังรั่วไหลฟุ้งกระจายแย่แล้วลุงไปด้วยหรือเปล่าผมก็ต้องไปที่เกิดเหตุอยู่แล้วลุงแช่มสตาร์ทรถเช่นกันค่ะไม่นานนักก็มาถึงที่เกิดเหตุ ด, ด้วยกันทั้งสองคันนักข่าววัยดึกกับหลานชายกู้ภัยวัยชะกัน กู้ภัยที่ล่วงหน้ามาก่อนก็ทยอยเก็บถังแก๊สที่กลิ้งตกลงไปยังร่องกลางถนนบางถังนะปล่อยแก๊สรั่วฟุ้งกระจายควันขาวๆออกมาจนเห็นอจนเหม็นแสบจมูกบางคนก็โบกมือบอกเพื่อนๆ อ, อย่าเข้ามาใกล้ถังที่กำลังรั่วแล้วก็ตนเองกำลังเก็บกู้บางถังก็อยู่ใกล้รถที่เกิดเหตุกำลังรั่วควันกระจายกันเลยเครื่องยนต์ รถกระดบะที่พลิกตะแคงยังติดเครื่องอยู่ไฟฉุกเฉินก็ยังเปิดทิ้งอยู่กระพริบทั้ง4ี่ดวงส่วนคนขับเนี่ยมีกู้ภัยช่วยพยุงร่างนอนเปลไปที่รถแล้วก็พาวิ่งไปส่งโรงพยาบาลอยู่แล้วกู้ภัยที่อยู่กลางถนนก็พยายามตะโกนบอกใครก็ได้ให้ไปช่วยดับเครื่องยนต์ที่ติดไว้ให้ทีเพราะว่ามันอันตรายมากอาจจะเกิดประกายไฟแล้วก็ระเบิดขึ้นได้ในพริบตา ความสับสนโอลหม่านของรถที่วิ่งม า, าติดออ ก, กันแน่นในที่เกิดเหตุดูๆไปก็เหมือนเหตุการณ์ในอดีต ท, ที่รถแก๊สระเบิดนี่แหละนะคะแล้วเหตุการณ์ที่ร้ายแรงที่ไม่มีใครอยากให้เกิดก็เกิดขึ้นในพริบตาความร้อนบวกกับเปลวไฟจากท่อไอเสียจุดระเบิดถังแก๊สที่รั่วไฟลามโลมเลียไปจุดระเบิดทั้งทันที่มีแก๊ส เหลือตกค้างอยู่ท้ายกระบะซึ่งถูกมัดเอาไว้5ถังกับถังที่เหลืออีก 3-4 สถังใกล้กๆรถที่ตะแคงเปลวไฟขนาดไม่ไม่เล็กไม่ใหญ่แต่ว่าร้อนปานกลางปานขุมนรกค่ะไหลมารวมกันแล้วก็กระจายสู่แก๊สที่รั่วอยู่บนพื้นถนน ก็ยังถือว่าเป็นเรื่องที่โชคดีนะคะที่ได้แรงลมมาช่วยาทาให้สถานการณ์มันไม่ได้อยู่ในสถา น, ถานที่ที่ปิดเลยนะคะแต่ว่าอยู่กลางแจ้งค่ะเปลวไฟก็เลยกระจายแล้วก็พวยพุ่งขึ้นสู่ความสูงระดับอกซึ่งเป็นลูกไฟขนาดใหญ่แล้วก็สลายลงสู่พื้นแผ่ไปทั่วพื้นถนนเหมือนขุมนรกเลยละะ่ะ แรงลมที่พัดมาอย่างแรงเหมือนกระโชกปลุกให้ลุงแช่มรู้ตัวแกเหลือบตามองไปเห็นพยาบาลกำลังเปิดหน้าต่างแสงสว่างจากภายนอกปลุกให้ลุงแช่มตื่นจากภวังรู้สึกชาไปหมดทางร่างกายคนไข้รู้สึกตัวแล้วเดี๋ยวคุณหมอจะเข้ามาตรวจนะคะสบายใจได้ค่ะลุง ลุงแชม่มมองร่างกายตัวเองค่ะแล้วก็ที่ถูกผ้าพันไว้เกือบทั้งตัวจะเอ่ยปากถามพยาบาลก็ยากเต็มทีเพราะว่ามันหนักอึ้งไปหมดทั้งปากทั้งแขนทั้งขาหรือแม้แต่จะขยับเขยื่อนร่างกายมันจะไปสบายตัวได้ยังไงแหละลุงแชม่มยังกระน่ำนดักแด้อย่างนี้คุณลุงต้องสู้นะคะเพื่อนบ้านที่มาเยี่ยมพร้อมกับเด็กนักเรียนสาวคนนั้นคนที่กําลังจะไปโรงเรียนแล้วก็ยืนมองนกแสกที่ร้องอยู่ที่หลังคาบ้าน ใช่แล้วค่ะคุณผู้ฟังมันเป็นรางร้ายของนกตัวเขื่องที่ลงมาเกาะหลังคาบ้านลุงนกแสกมาร้องที่หลังคาบ้านลุงแช่มก็นึกขึ้นมาได้ทันทีถึงความโชคร้ายของแกนี่ถ้ามันไม่มาเกาะที่บ้านแกคงไม่ซวยขนาดนี้โชคดีที่ไม่ถึงตายค่ะหลังจากนั้นอีก3เดือนต่อมาอาการแกก็ดีขึ้น แกก็เพิ่งรู้มาจากาพยาบาลแล้วก็คนมาเยี่ยมนะคะว่ากู้ภัยหลานชายที่แกามาด้วยเนี่ยขี่รถนำหน้าแกมาเมื่อตอนนั้นเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วนี่ก็มาจากหนังสือมู ล, ลนิธิเรื่องเล่าชาวเก็บศพโดยวสินทองทารีนะคะ อีกเรื่องหนึง่งคุณผู้ฟังเป็นเรื่องของคุณเนตเรื่องเล่าจากเดอะช็อคค่ะขออนุญาตนะคะนํามาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังต่อสําหรับใครที่ยังไม่ได้ฟังโดยเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นที่จังหวัดนครสวรรค์โดยที่ตัวคุณเนตเองนั้นเนี่ยเป็นกู้ภัยที่จังหวัดนครสวรรค์แล้วก็ตอนช่วงสงกรานเนี่ยจะเป็นช่วงที่มีอุบัติเหตุเยอะคุณเนตก็ว่างเว้นจากการเรียนก็กลับไปช่วยพี่ๆกู้ภยัยแล้วก็มีอยู่คืนหนึ่งค่ะ ได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุรถกระบะพลิกคว่ำมีผู้ได้รับบาดเจ็บประมาณ6รายโดยหน่วยกู้ภัยนครสวรรค์จะมีรถอยู่5คันเบอร์ B 1ถึงเบอร์หคุณเนตไปกับรถกู้ภัยเบอร์2แล้วก็มีกู้ภัยเบอร์1และก็สที่ออกไปแล้วพอไปถึงที่เกิดเหตุมีผู้เสียชีวิตอยู่สองคนค่ะทางกู้ภัยก็ไปประถมพยาบาลเบื้องต้นผู้บาดเจ็บก่อนแล้วก็นาส่งโรงพยาบาลทีนี้เนี่ย เสร็จแล้วก็รอเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อจัดการกับศพผู้เสียชีวิตนะคะที่นี้รถกู้ภัยนครสวรรค์มันจะมีข้อสังเกตอยู่อย่างหนึ่งคือรถเบอร์สเอาไว้บรรทุกศพเท่านั้นเบอร์2รับแต่คนเจ็บเพราะว่าเครื่องมือต่างๆในรถมันจะแตกต่างกัน ถ้าเมื่อไหร่ที่เอาศพขึ้นรถเบอร์สองนี่มันจะมีเหตุการณ์แปลกๆอยู่ตลอดเช่นถ้าเอาศพขึ้นรถเบอร์สองขับๆไปยางไม่ระเบิดก็กระจกแตกเป็นอย่างนี้เป็นประจำค่ะบางครั้งนะ่ะเด็กใหม่ๆที่มาทำํำเราก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเนี่ยรถก็จะดับกลางทางบ้างอะไรบ้างก็เลยจําเป็นต้องเป็นเบอร์สี่คันเดียวที่บรรทุกได้คุณเน็ตก็นั่งไปกลับรถเบอร์สองแล้วก็มีพี่คนขับรถเบอร์สี่ไปเพื่อที่จะกลับไปยังที่เกิดเหตุอีกครั้ง พอจัดการเรื่องศพเรียบร้อยค่ะก็นํารถก็นําศพเนี่ยใส่ในรถเบอร์สี่ส่วนรถเบอร์2ก็รับผู้บาดเจ็บเล็กน้อยกลับมาแต่ว่าขากลับคุณผู้ฟังรถเบอร์สี่จะขับนํารถเบอร์2ที่คุณเน็ดนั่งแล้วก็ตามนิสัยของรถจุกเฉินเนาะก็จะต้องเปิดไซเรนอยู่แล้วแล้วก็จะขับกันด้วยความเร็วประมาณหนึ่งแล้วก็จะวิทยุขอจนในที่ตํารวจในการเคลียร์ทางขอไฟเขียวตามแยกต่างๆไว้แล้วจึงไม่จําเป็นต้องแซงกันขับกันไปเป็นขบวน ทีนี้คุณเนทซึ่งนั่งอยู่หน้ารถกับคนขับในรถเบอร์สองชื่อว่าพี่บอมคุณเนทก็สังเกตว่าพี่บอมเนี่ยพยายามจะขับแซงเบอร์สี่อยู่ตลอดเวลาซึ่งปกติแกจะไม่ขับรถแบบนี้แล้วก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องแซงเลยคุณเนตก็คิดในใจว่าทําไมพี่บอมถึงพยายามจะออกขวาตลอดแต่คุณเนตก็ไม่ได้ถามอะไรเพราะว่าต้องวิทยุรายงานกับโรงพยาบาลพอถึงโรงพยาบาลแล้วค่ะคุณเนตก็มีโอกาสถามพี่บอมเขาก็เล่า ว, ว่า พี่จะบอกอะไรให้ที่พี่พยายามแซงเพราะว่าพี่ทนไม่ไหวพี่กลัวคุณเน็ตก็ถามว่าพี่บอมเห็นอะไรพี่บอมบอกว่าขณะขับจี้ตามท้ายรถเบอร์สี่เนี่ยแล้วก็รถกู้ภัยที่มีหลังคาแคริบอยปิดด้านหลังไว้พี่บอมเห็นคุณลุงคนที่เสียเนี่ยนั่งอยู่บนหลังคาห้อยขาลงมาแล้วก็เอามือจับโครงเหล็กที่ใช้ติดไซเรนเอาไว้แล้วก็ยิ้มอยู่ตลอดทางแต่ว่าคุณเน็ตที่นั่งอยู่ด้วยกับพี่บอมมองไม่เห็นหนะ พี่บอมก็พยายามจะตีไฟออกขวาเพื่อจะแซงแต่รถคันที่4ี่ก็คิดว่ารถคันข้างหลังคนเจ็บเป็นอะไรมากหรือเปล่าก็เลยเร่งความเร็วเพิ่มขึ้นก็เลยตามกันไปอย่างนั้นล่ละค่ะซึ่งคุณลุงคนนั้นเป็น1ใน2ผู้เสียชีวิตที่นอนอยู่ในท้ายรถเบอร์สี่นะคะเรื่องต่อมาค่ะโสยองขวัญเหมือนกันเนาะใครที่ทำงานกู้ภัยเนี่ยเรียกว่าได้อยู่กับศพ แล้วก็มีโอกาสได้ใกล้ชิดกับร่างไร้วิญญาณแล้วก็มีโอกาสที่จะเจอผีมากกว่าคนธรรมดาทั่วไปยังไงบีเองก็เป็นกำลังใจให้พี่ๆด้วยก็แล้วกันนะคะเรื่องต่อไปเป็นเรื่องถุงแดงค่ะเรื่องนี้ย้อนไปเมื่อปี2 5 3 8ันเหตุเกิดที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่จังหวัดปทุมธานีซึ่งตอนนั้นนี่ยังไม่ทันสมัยเท่าไหรนะ่นักคุณเอ็มต้องย้ายไปอยู่ที่นั่นค่ะคุณเอ็มไปอยู่ชั้น2ซึ่งมีแต่คนป่วยอยู่แค่ 3-4 คนคุณเอ็ม เห็นเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งตัวใหญ่แต่ว่าตัวเหลืองมากคือเป็นไวรัสตับอักเสบบีโดยมีญาติมาส่งแล้วญาติก็กลับไปน้องคนนั้นก็นอนแต่แคงข้างไปหาเอมแล้วก็บอกว่านะ้าขอน้ำหน่อยเอมก็เอาน้ำหวานให้แต่ปรากฏนะคะว่าเด็กคนนั้นเอาน้ำหวานราดตัวค่ะ m ก็เลยถามว่าเอา้าทาไมทาอย่างนั้นละ่ะเด็กคนนั้นบอกร้อนใน เอ็มก็เลยไปแจ้งพยาบาลมาดูพอตกดึกเด็กคนนั้นก็เรียกเอ็มบอกให้พาไปห้องน้ำแต่ด้วยความที่เอ็มเห็นมีสายระยงระยางนะคะก็เลยเดินไปแจ้งพยาบาลพยาบาลบอกว่าไม่ได้ต้องให้ฉีบนเตียงช่วยหากระถนให้เขาฉีแต่ว่าเด็กคนนั้นก็ไม่ยอมดึงสายน้ำเกลือออกจะเข้าห้องน้ำอย่างเดียวเลยพยาบาลก็วิ่งเข้ามาดูแล้วก็ฉีดยานอนหลับเข้าไปที่ถุงน้าเกลือแล้วกลับไปนั่งดูทีวีนะคะ ตอนนั้นมีคนป่วยพูดว่าทำไมพยาบาลทําแบบนั้นคนป่วยแย่อยู่แล้วสุดท้ายเด็กคนนั้นก็เพ้อเรียกว่าแม่แม่แล้วเหงือก็แตกจนเด็กคนนั้นก็ตายตอนสามทุ่มด้วยความที่พยาบาลอยู่แค่คนเดียวไม่มีบุรุษพยาบาลคนไข้ในนั้ น, นก็เลยต้องช่วยกันพยาบาลก็เลยไปเอาสำลีมาอุดรูทวารทุกจุดแล้วเอาศพใส่ถุงโดยถุงที่ใส่เนี่ยเป็นศพสีแดงค่ ะ, อะขออภัยค่ะโดยถุงที่ใส่ศพเป็นถุงสีแดงเพราะว่าผู้ป่วยเป็นผู้ป่วยติดเชื้อ สุดท้ายผู้ที่อยู่ช่วยพยาบาลเข็นศพลงไปเก็บยังห้องเก็บศพซึ่งเรียกกันว่าศาลาแดงนะคะโดยข้างในเนี่ยจะเป็นตู้เย็นสำหรับใส่ศพค่ะพอคืนวันต่อมาคุณเอ็มได้ยินเสียงถุงดังก็แก๊กก็แก๊กนะคะเหมือนมีคนกระโดดเหยียบถุงด้วยความสงสัยคุณเอ็มก็เลยออกไปดูทางศาลาแดงแต่ไม่เจออะไรนะทีนี้พอไปเข้าห้องน้าค่ะออกมาก็ได้ยินเสียงถุงอีก เอ็มก็เลยออกไปส่องดูที่บันไดสิ่งที่เห็นคือถุงสีแดงค่ะใส่ศพนี่แหละที่มีศพอยู่ข้างในกระโดดขึ้นบันไดแล้วก็กระดึบ๊บกระดึ๊บอยู่หน้าประตูคุณเอ็มก็ปลุกลุงเตียงข้างๆว่าดูสิมีถุงสีแดงมายืนอยู่หน้าประตูลุงบอกไม่เห็นแล้วก็ให้เอ็มเนี่ยรีบนอนเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องไปออกกําลังกายแต่เช้าถุงแดงก็ยืนอยู่ประมาณ5นาทีนะคะคุณเอ็มก็นอนจ้องด้วยความกลัวสักพักหนึ่งถุงแดงก็กระโดดลงบันไดไป คุณเอ็มเล่าให้หมอฟังหมอไม่เชื่อแต่พอคุยกับพยาบาลคนที่ทําศพพยาบาลก็กลัวก็พูดไปเรื่องอื่นจนตอนเที่ยงพยาบาลก็มาถามอีกว่าเรื่องจริงหรือเปล่าแล้วก็บอกว่าให้เอ็มเนี่ยทาบุญให้พอคืนที่สองะคุณผู้ฟังถุงแดงมันมาอีกกระโดดขึ้นมาแล้วก็ยืนอยู่หน้าประตูแต่เข้ามาไม่ได้ได้แต่ยืนอยู่หน้าประตูกระจกเอ็มก็เล่าให้ลุงฟังอีกลุงก็บอกไม่เห็นพอคืนที่3ามะลุงเป็นคนปลุกเอ็มแล้วชี้ให้ดูว่าลุงเห็นแล้ว แล้วก็พากันกลัวค่ะทั้งลุงทั้งหลานทุกครั้งที่ถุงแดงมานี่จะมีกลิ่นฟอร์มาลีนมาก่อนซึ่งวันต่อมานะคะทั้งลุงทั้งหลานนี่แหละก็เลยพากันไปไหว้ศาลที่ทางสารแดงพอคืนที่4เอ็มนอนอยู่ค่ะก็มีก้อนอะไรก็ไม่รู้ถูกโยนมาใส่ตัวปรากฏว่าเป็นก้อนสำลีชุบฟอร์มาลีนเหมือนก้อนที่อุดรูทวารตอนช่วยพยาบาลทําศพแล้วเอ็มก็โทรเรียกที่บ้านมารับแล้วก็บอกว่าจะไปทําบุญนะคะ ขอบคุณคุณเอ็มค่ะขออนุญาตรายการเรื่องเล่าจากเดอะช็อคด้วยนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันอีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ฟังเป็นเรื่องของปากคำคนเก็บศพอันนี้เชื่อไหม ตั้งแต่ทำงานมา1ิบกว่าปีนี่ไม่เคยเจอผีหลอกเลยสักครั้งอันนี้เขาเขียนไวแบบนี้นะคะไม่เคยเลยแต่ว่าตัวผมเชื่อเรื่องวิญญาณว่ามีอยู่จริงหลายครั้งผมแคล้วคลาดมาตลอดเคยเกิดอุบัติเหตุกับผมประเภทว่าล้อรถจะหลุดอยู่แล้วไฟลุกท่วมยางแต่ผมก็ไม่ได้สังเกตเห็นมีน้องๆขับรถตามมาแล้วก็วอบอกจึงรู้พอลงมาดูไม่รู้รอดมาได้ยังไงอยู่จนถึงทุกวันนี้ทาอะไรก็ราบรื่นไปตลอดไม่ค่อยติดขัด เจออะไรก็เจอแต่สิ่งดีๆคงจะเป็นเพราะว่าผลบุญที่ได้ทำแล้วก็ได้ช่วยคนมาเยอะทีนี้ถ้านับคนที่ตายที่ผ่านมือผมมาเนี่ยก็ประมาณ4 0 0พันกว่าศพเห็นจะได้ แล้วก็ที่ช่วยคนเจ็บนี่ก็ประมาณ6000คนรวมๆแล้วก็เป็นหมื่นๆรายแต่ที่น่าแปลกก็คือเห็นจะดูจากสภาพรถแล้วมันยับไปทั้งคันยับยุ่ยยี่เลยมันเป็นเคสนี้นะีคะคือเคยเห็นกับตานี่คือรถพังทั้งคันคนขับนั่งอยู่ข้างรถนี่แหละเราก็แบบพวกชอบพกพระเครื่องก็เลยไปขอดูคุณผู้ฟังเชื่อไหมเขาแขวนองุ่นทวดหลังเตารีดผมแล้วขนลุกเลยตรงนี้มันน่าแปลก รถก็ไม่มีอะไรป้องกันถุงลงก็ไม่มีไม่มีเข็มขัดนิรภัยใส่รอดไม่ได้ยังไงผมยอมรับจริงๆเลยตั้งแต่ทำงานมาแทบไม่เคยเจอพระหลวงพ่อทวดในคอคนตายแล้วก็คนเจ็บเลยเคยเห็นครั้งนี้ครั้งเดียวหนุ่มรายนี้โดนเจ้าหนี้ทวงเงินแล้วเกิดทะเลาะกันเผลอไปด่าพ่อด่าแม่เา้าคู่กรณีก็เลยซัดด้วย11มมสนัดซอยคอก็เลยขาดค่ะ พระก็เลยร่วงหายไปหนุ่มคนนั้นตายค่ะที่ครั้งเดียวจริงๆที่เห็นเพราะว่าเราชอบเรื่องพระอยู่แล้วก็เลยสังเกตถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นเหรียญรูปไข่นะไม่แน่ใจว่ารุ่นสองหรือเปล่าจึงรู้แล้วก็หาหลังเกิดเรื่องนั่นแหละแต่ที่เห็นมากับตาก็คืออดีตเจ้าพ่อเมืองกรุงผู้ร่วงลับผมเห็นศพเขาตอนไปรับศพเพื่อไปบาเพ็ญกุศลที่บ้านเขาผมเป็นคนเคลื่อนย้ายศพออกจากนิติเวชไปบ้านแกเอง คุณเชื่อไหมหลังของเจ้าพ่อคนนี้เนี่ยมีรอยไหม้เป็นจ้ำๆแต่กระสุนยิงเข้าเพียงหนึ่งนัดเท่านั้นทั้งดังที่ปลอกกระสุนที่ทเกิดเหตุนี่คือเกลื่อนไปด้วยปลอก M 1 6ผมเลยมาขอดูรูปที่ลูกน้องไปถ่ายไว้แกอมพระสมเด็จวัดระคังอยู่โดยที่แกเองก็นอนคว่ำหน้ากับตัวรถมือยังกําปืนอยู่เลยเสื้อผ้าด้านหลังนี่ขาดหมดเป็นรอยกระสุนทั้งนั้นผมก็เลยเชื่อเรื่องพุทธคุณพระว่ามีจริงแต่ก็ไม่พ้นกฎแห่งกรรมไปได้ เรื่องสะสมพระนี่ผมชอบชอบมาตั้งแต่วัยรุ่นผมตะเวนไปเรื่อยๆที่ไหนดังที่ไหนดังผมก็ไปมาแล้วเกือบทุกวัดเช่ามาเก็บไว้หมดที่บ้านนี่มีพระเครื่องเต็มเป็นลังๆเลยส่วนตัวผมเองนับถือหลวงปู่ทวดมากไปใต้เมื่อไหร่ผ่านปัตตานียังไงก็ต้องไปวัดช้างให้ก่อนเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยนึกอยู่เสมอเรื่องแคลวคลาดผมจะแขวนพระอยู่เสมอหน้ารถ คู่ภัยนี่ยังมีพระบูชาขนาดหนิ้วของหลวงปู่อยู่เลยที่แขวนขวนประจำจะมีหลวงปูท่ทวดเรียนรอห้าลูกอมหันุมานหลวงพ่อภูลวัดไผ่ล้อมองค์นี้เนี่ยผมได้มากับมือท่านเลยคุณเชื่อไหมร้อยละ80ที่เกิดอุบัติเหตุเกิดจากเมาแล้วขับทั้งนั้นบางทีตายไปแล้วกลิ่นเหล้ายังฟุ้งอยู่ลูกเมียก็ลาบากตามกัน คุณสเสน่ห์เล่าเรื่องนี้ให้ฟังอย่างเซ็งๆขนาดนั่งดื่มบางทียังประคองตัวเองให้ตรงแทบไม่ได้และถ้าลองได้ขับรถแล้วล่ะก็โอกาสมันสูงที่จะเกิดอุบัติเหตุพระอะไรท่านก็ช่วยไม่ได้จริงๆยังไงขอฝากเตือนด้วยคุณสเสน่ห์ฝากข้อคิดทิ้งท้ายไว้นะคะเรื่องสุดท้ายค่ะคุณผู้ฟังเจอร่างชายถูกฆ่าคนเดียวกันกับที่คุยในลิฟต์นักกู้ภัยเก็บศพมืออาชีพ การพบเจอกับคนตายถือเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่มีนักเก็บศพคนหนึ่งที่เข้าถึงอาชีพนี้ถึงขนาดพูดคุยแล้วก็เจรจากับคนตายได้ในขณะที่อยู่ในลิฟต์นะส่วนศพนั้นเนี่ยจะตอบรับเขาหรือไม่และจะตอบกับการเจรจาของเขาหรือไม่อย่างไรเราองมาฟังกันดูก็แล้วกันนะคะคนนี้ B ีต้องบอกว่ายกให้เป็นคนเด็ดเจ็ดย่านน้าเลยล่ะคะ่ะความตายนะคะมักจะดึงดูดบางคนให้ไปเกี่ยวข้อง หากคุณเกี่ยวข้องกับความตายทุกวันจะยอมรับแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับมันได้อย่างไรคุณยอดอัญยวุฒิโพอัมไพนักกู้ภัยที่ต้องพึ่งศิลปศาสตร์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เล่าให้ฟังค่ะว่าตั้งแต่วันแรกที่อุทิศตนเป็นนักเก็บศพจะต้องพบเจออะไรบางอย่างที่คนทั่วไปไม่เคยพบปัจจุบันความเคยชินที่พูดคุยกับศพหลากหลายรูปแบบการตายบางทีก็ร้องขออธิษฐานจากศพให้พบร่างของผู้ตายในกรณีที่หาศพไม่เจอ มีอยู่วันหนึ่งค่ะต้องไปกู้ศพผู้เสียชีวิตที่ลอยอยู่ที่แม่น้าเจ้าพยาประมาณตีสองตีสนะคะก็เลยรีบเดินทางไปที่สะพานพุทธเมื่อเห็นศพลอยอยู่กลางแม่น้ําแต่ว่าน้ําไหลแรงค่ะร่างกายนี่ลอยไปเร็วเหลือเกินไม่มีใครกล้าลงไปเก็บศพตนก็เลยรีบลงไปเก็บศพเห็นสภาพศพนี่เสียชีวิตมาแล้วหลายวันนะเกาะกับศพกลางแม่น้ําเลย ขณะนั้นรู้สึกใจหายเหมือนกันไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าถ้าหากว่าปล่อยศพไว้แล้วว่ายน้ำกลับก็คงจะสูญเปล่าแต่ทุกครั้งที่เกิดปัญหาจะระลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เอามือลูบศพบอกศพว่าขอให้ผ่านไปด้วยดี จากนั้นคล้ายกับว่ามีใครมาช่วยผลักให้ศพนั้นเยลอยไปร ому, ิมฝั่งเมื่อลองแกล้งหยุดว่ายน้ําศพก็ยังคงลอยสวนกระแสน้ํามายังริมฝั่งก็เลยเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอยู่จริงนอกจากนี้มีอยู่วันหนึ่งกําลังจะออกจากคอนโดได้กลิ่นศพเน่าแรงมากเห็นชายคนนึงเดินมารอลิฟท์กลางอาคารเมื่อเดินไปถึงลิฟท์ด้วยกันก็ถามเขาว่าได้กลิ่นอะไรหรือไม่เขาก็ไม่ตอบพอลิฟท์ถึงชั้นหนึ่งประตูลิฟท์เปิดปุ๊บ กลิ่นนั้นแรงมากก็เลยบอกให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบว่าเหมือนมีคนตายอยู่ในห้องเลยก่อนจะพบว่ามีคนถูกฆ่าชายที่เดินเข้ามาพร้อมกันในลิฟต์ลักษณะแต่งกายเหมือนกับผู้ตายเดะเลยนะคะก็เลยเชื่อว่าเขามาขอความช่วยเหลือทำให้พบร่างแล้วก็ส่งวิญญาณของเขาเนี่ยให้ไปสู่ภพภูมิอื่นด้วยและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องเล่าจากคนเก็บศพนะคะ คุณผู้ฟังท่านใดที่มีเรื่องเล่าแบบนี้ค่ะสามารถส่งเข้ามายัางแฟนเพจบน Facebook พระเจอผีได้นะคะบีก็จะนําเรื่องของท่านเนี่ยเอามาเล่าออกอากาศหมดเวลาของพระเจอผีแล้วละค่ะขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปให้เราด้วยนะคะกดติดตามช่องพระเจอผีบน YouTube แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรอรับการแจ้งเตือนเวลาที่บีอัปเดตคลิปใหม่ๆสําหรับคลิปนี้หมดเวลาแล้วนะคะติดตามรับฟังได้ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ